เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเจอมากับตัวเราเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำกลางคืนหรือแม้ก็ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มเพราะไม่มีแดดและคนก็น้อยปกติก็จะว่ายน้ำที่สระในหมู่บ้านซึ่งก็คือส่วนกลางของหมู่บ้านก็จะมีฟิตเนสอะไรประมาณนี้อยู่ด้วยวันนั้นเราก็ปั่นจักรยานจากบ้านไปถึงสระว่ายน้าประมาณสองทุ่มพอถึงที่หมาย กำลังจะจอดจักรยานมองเข้าไปในสระก็เห็นแขนคนพลุบพโพลโอยู่ในน้ำเราก็อุ่นใจว่าวันนี้มีคนว่ายน้ำเป็นเพื่อนพอจอดจักรยานเสร็จเราก็เดินเรียบด้านยาวของสระเข้าไปที่โต๊ะเพื่อที่จะวางข้าวของพวกป้าขนหนูซึ่งเราขออธิบายลักษณะของส่วนกลางในหมู่บ้านนิดหนึ่งก็คือถ้าเดินตรงเข้ามาในส่วนกลางซ้ายมือจะเป็นสระว่ายน้า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างและด้านยาวมีสะเด็กน้อยอยู่ติดกับด้านกว้างด้านหนึ่งก็คือเดินเข้ามาก็จะเห็นสะเด็กก่อนแล้วก็จะเป็นสะผู้ใหญ่ทอดยาวไปส่วนด้านขวามือจะเป็นฟิตเนสประตูที่กัน้นจะเป็นกระจกหมดเลยส่วนสระน้ำามด้านที่เหลือจะมีพวกต้นไม้สูงล้อมรอบแล้วก็จะมีบันไดลงสะอยู่สองจุดห่างกันระยะหนึ่ง ตามแนวด้านยาวฝั่งขวาพอวางของเสร็จอยู่ดีๆก็มีลมพัดมาเป็นลมแบบลมหนาวเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเห็นว่าเออช่วงนี้อากาศคงจะเริ่มร้อนตอนดึกลมมันก็พัดแรงอะไรแบบนี้ก็ลงสะไปว่ายน้ำไปกลับตามแนวด้านยาวฝั่งขวาไปเรื่อยๆพี่ผู้ชายที่เขามาว่ายอยู่ก่อนเขาก็ยึดแนวด้านซ้ายไป ต่างคนต่างไหว้ลมก็สลับพัดเอื่อยบ้างแรงบ้างต้นไม้สูงรอบๆอบสะก็บกไปบอกมาตามแรงลมบรรยากาศคือหนังผีมากแต่จุดประสงค์ของเราคือมาออกกำลังกายตอนนั้นใจมันเลยไม่ได้คิดเรื่องอะไรแบบนี้กางเกงที่เราใส่ไปไว่ายน้าวันนั้นเป็นกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงกีฬาธรรมดาเพราะหากางเกงว่ายน้าไม่เจอ ด้วยความที่เคยใส่กางเกงตัวนี้ออกไปซื้อของพอเอิญมันดันมีแบงค์ร้อยแบงค์อยู่เต็มกระเป๋าเลยดันลืมเมาออกพอลงน้ำปุ๊บแบงค์ร้อยขึ้นมาเพียบเราก็ไล่เก็บนิดโทษตัวเองที่สะเพร่าลืมเมาออกพอเก็บครบก็จะเอาขึ้นไปไว้บนโต๊ะที่วางผ้าขนหนูไว้ตอนแรกด้วยความที่ขี้เกียจขึ้นบนันไดก็เลยยันตัวเองขึ้นจะขอบสะจังหวะที่ยันตัวเองขึ้นจากน้า ก็เผลอก้มลงไปมองตรงตะแกงที่มันจะอยู่รอบขอบสระเพียงแค่เซี้ยววิตอนนั้นมันเหมือนเห็นลู ก, กตาใครก็ไม่รู้มองจ้องแบบน่ากลัวมากๆย้อนขึ้นมาจากข้างในตะแกงแต่ด้วยความที่มันไวมากเพราะเราแค่ชันตัวเองขึ้นมาจากสระภาพที่เห็นมันก็เลยติดอยู่ในหัวแบบเบล์เลไม่รู้ว่าของจริงหรือตาฝาดลมก็พัดแรงขึ้นแรงขึ้น จนเริ่มหนาวก็เลยรีบวางแบงเอาผ้าขนหนูทับแล้วกลับลงสระทันทีพยายามไม่คิดอะไรพอไหวไปสักพักเราก็เริ่มเหนื่อยเลยมาพิงขอบสระ ด, ด้านกว้างพี่ผู้ชายก็ยังไหวไปมามีพักบ้างสลับกันไปส่วนเราพอเริ่มหายเหนื่อยก็ไายต่อไหวไปไหวกลับอยู่สามสี่เที่ยว ซึ่งมันจะต้องผ่านบันไดลงสระสองอันตอนแรกก็ว่ายผ่านไปเฉยๆไม่มีอะไรจนอยู่ดีๆเริ่มรู้สึกว่าน้ำรอบๆตัวมันเย็นขึ้นเย็นจนผิดสังเกตและเป็นจังหวะเดียวกับที่ว่ายผ่านบันไดอันแรกพอดีตอนนั้นเองสายตามันก็ดันเหลือบไปเห็นเท้าใครก็ไม่รู้ห้อยลงมาในสระตอนนั้นคือด้วยความที่เราว่ายน้าอยู่ สมาธิอะไรมันก็โฟกัสไปที่การตีขาการเหวี่ยงแขนของเราไปเรื่อยแล้วมันแค่ช่วงวินาทีเดียวเราก็เอกในใจขึ้นมาว่าเหมือนเห็นอะไรแปลกๆแค่นั้นแต่แขนขา ย, ยังคงไหวต่อไปจนกําลังจะผ่านบันไดอันที่สองเท่านั้นแหละอันนี้คือชัดมากเพราะเราเห็นก่อนระยะการมองคือข้างหน้าเลยไม่ใช่หางตาแล้วเห็นเป็นขาคนขาว มีเนื้อยุยยุยปเปื่อยเนึกภาพการเปลี่ยการเน่าในาน้ำหมอกไหมแบบนั้นเลยตอนนั้นก็ตกใจแบบสะดุ้งขึ้นมาจากน้ำเลยตกใจจริงๆน้ำใ น, นสระมันก็ไม่ได้ใสามากไฟในน้ำก็ไม่ได้สว่างอะไรด้วยไอเราก็ไหวแบบมัวมัวมาของเราอยู่ดีๆแล้วก็เจอขาแล้วพี่ผู้ชายที่ตอนแรกไหวยอยู่อีกด้านหนึ่ง เหมือนเขากําลังจะเตรียมตัวขึ้นพอดีเขาก็เลยมาอยู่ตรงบันไดอันแรกที่เราเพิ่งไหว้ผ่านมาเขาก็ตกใจเห็นเราพลวดขึ้นมาจากน้ําก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเราที่ยังอยู่ในอาการตกใจก็ส่ายหัวพูดติดๆขัดๆสำรักน้ําบอกเขาไปว่าไม่เป็นอะไรพี่เขาก็บอกว่าดึกแล้วไม่กลับบ้านเหรอเราที่ตอนแรกจะไหว้ต่ออีกหน่อยก็ตัดสินใจกลับเลยดีกว่า บรรยากาศมันไม่น่าอยู่แล้วตอนนั้นก็ใจไม่ดีมากๆเราไม่ได้กลัวแต่เราไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยมันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้มีอยู่จริงหรือคิดไปเองก็ไม่รู้รู้แค่เออเราเห็นแบบนี้มามันคืออะไรก็ตัดสินใจขึ้นจักสะรพร้อมพี่เขาพี่ผู้ชายที่ขึ้นไปก่อนเขาล้างตัวอะไรเสร็จเขาก็เดินกลับออกไปเหลือเราคนเดียวพอล้างตัว ที่ฝักบัวเสร็จแล้วก็เดินกลับมาจะเอาของที่โต๊ะหยิบโทรศัพท์หยิบผ้าขนหนูเสร็จก็กำลังหมุนตัวจะเดินออกลมก็พัดวูบมาหอบใจตอนนั้นรู้สึกเดือดดัดมากๆทั้งที่อยู่คนเดียวแต่เหมือนมีสายตาใครก็ไม่รู้มองมาที่เราตลอดเหมือนมองมาจากรอบทิศเลยขาก็รีบเดินจ้ำๆออกไปพอถึงจักรยานกาลังจะเหวี่ยงขาคล่อมลมก็พัดมาอีกหอบหนึ่งพร้อมเสียงวิววิว ใบใไม้แต่ด้วยความที่มันเงียบมากๆเราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งลอยมาตามลมเป็นเสียงที่ถ้าฟังผ่านๆก็คล้ายๆกับเสียงลมนั่นแหละแต่ถ้าฟังดีๆมันคล้ายเหมือนเสียงคนคุยกันเป็นเสียงแบบซุบซิบของคนเยอะๆโทนต่ำๆลอยมาตามลมพอลมแรงขึ้นเสียงก็ยิ่งชัดดังขึ้นเข้าไปใหญ่เท่านั้นแหละเรารีบขึ้นจักรยานปั่นออกไปในทันที ความรู้สึกที่เหมือนมีคนจ้องก็ไล่หลังมาตลอดมันอึดอัดมากๆม่ชอบเลยเราปั่นจักรยานเลี้ยวเข้าซอยถึงบ้านโดยปลอดภัยเข้าบ้านหนบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากดโทรศัพท์ดูตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มนิดๆพอสบายตัวเราก็พยายามไม่นึกถึงเรื่องที่เจอมาก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆสักพักดันนึกขึ้นได้ว่าเราลืมเงินที่วางไว้ที่โต๊ะนี่หว่าตอนหยิบมาก็หยิบแต่ผ้าคนหนู ลืมไปว่ามีแบงค์ร้อยแบงค์ยีอยู่ด้านล่างด้วยรวมๆกันแล้วน่าจะซัก300กว่าบาทด้วยความที่ขี้งกและกลัวว่าถ้าไปพรุ่งนี้เงินเราจะไม่น่าอยู่แล้วก็ช่างใจว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีไปก็แอ บ, บกลัวอยู่พอสมควรเพราะเมื่อกี้เจออะไรมาก็ไม่รู้แต่เงินก็เสียได้คิดว่าเดี๋ยวรีบไปวิ่งเข้าไปหยิบเงินที่วางไว้ที่โต๊ะแล้วก็วิ่งกลับออกมา ไม่น่าจะเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจกลับไปที่สระอีกครั้งหลังจากที่เราตัดสินใจออกไปที่สระอีกครั้งก็ปั่นจักรยานออกมาเช่นเคยอันที่จริงจากบ้านของเราไปที่สระก็ไม่ได้ไกลนักแต่เราขี้เกียจเดินแค่นั้นเองเลี้ยวออกมาจากซอยบ้านปุ๊บพอพ้นหัวมุมตรงถนนมองตรงไปก็เห็นสระน้าอยู่ไม่ไกลพอปั่นใกล้เข้าไปเรื่อยๆ ลมก็พัดมาอีกครั้งก็ไม่รู้กิดไปเองหรือเปล่าแต่ตอนปั่นจักรยานมาจากบ้านลมนิ่งมากทำไมต้องมาพัดแรงตอนถึงสระน้ำพอดีก็ไม่รู้และหมู่บ้านเราก็แปลกไฟน้อยมากพอมืดก็มืดเลยเสาไฟข้างทางก็ตั้งห่างกันเป็นโย์โยดทำให้กลายเป็นว่ามีแสงสว่างเป็นหย่อมๆย่อมตามทางปกติใต้เสาไฟที่ตรงข้ามกับสวนกลางหมู่บ้าน จะมีโต๊ะให้พยายามนั่งไว้ตรวจความเรียบร้อยตอนก่อนออกจากบ้านเราคิดในใจว่าเดี๋ยวพอถึงสะให้พยายามเปิดไฟฉายเข้าไปช่วยหยิบเงินเป็นเพื่อนแต่พอถึงปุ๊บเหลือแต่เก้าอี้ว่างๆยืนชั่งใจอยู่อีกรอบว่าจะเข้าไปดีไหมกลัวก็กลัวแต่ก็มาถึงขนาดนี้แล้วในที่สุดก็จอดจกอักรยานเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ในมือถือ แล้วก็เดินเข้าไปในสระว่ายน้ําตอนนั้นลมนิ่งมากแต่มีเสียงใบไม้ต้นไม้พัดวิววอยู่ตลอดเราก็ทำใจนิ่งๆไฟในสระน้าก็ปิดหมดแล้วในน้ํานี่มืดมากๆเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงโต๊ะตัวที่วางของเอาไว้เอาไฟฉายส่องหาแบงค์ที่ลืมไว้จนเจอว่ามันปลิวหล่นอยู่ใต้โต๊ะเราก็เก็บเก็บจนเหลือใบสุดท้าย กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบอยู่ดีๆความรู้สึกอึดอัดรู้สึกมันมีคนจ้องมองจากรอบทิศก็กลับมามือที่กำลังจะเอื้อมก็หยุดชะงักทันทีเราก็ไม่รู้ว่าปกติอาการของคนเจอผีเขาเป็นยังไงกันอาจจะขนลุกอาจจะขาแข็งก้าวไม่ออกแต่ของเราคือรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ขอบตานี่ร้อนเผาจะอธิบายยังไงดี คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่รู้สึกว่ามันควรจะมีคําอธิบายพูดผีดวงวิญญาณสิ่งลี้ลับมาจากคนที่ตายแล้วจริงๆนะเหรอและด้วยความที่มันไม่สามารถหาเหตุหาผลมาอธิบายได้มันทําให้เรารู้สึกแบบไม่ชอบไม่อยากเจอพอเราตั้งสติได้ก็เอื้อมไปหยิบแบงค์ใบสุดท้ายอย่างไวที่สุดก็ลุกขึ้นยืน จังหวะที่ลุกขึ้นยืนหางตาบวกกับความรู้สึกมันเหมือนเห็นเป็นคนนั่งอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้ในลักษณะต่างๆในเราก็ไม่กล้าที่จะเหนื่อยขึ้นไปมองที่ต้นไม้มันเลยเป็นภาพที่เราเห็นเป็นแบบหางตาเห็นเป็นวิวกว้างๆ ว, ว่าต้นไม้แต่ละต้นมีเงาคนเกาะอยู่บางต้นก็เป็นคนนั่งห้อยขาลงมา จากกิ่งก้านบางต้นเป็นคนใช้ขาเกี่ยวกับก้านต้นไม้แล้วห้อยตัวลงมาจากที่เรารู้สึกเหมือนจะร้องไห้ตอนนั้นน้ําตาก็ไหลออกมาไม่รู้มันไหลมาด้วยความกลัวหรืออะไรเราก็รีบหมุนตัวจะเดินออกพอหันตัวกลับไปเท่านั้นแหละก็เห็นเป็นรอยเท้าเปียกน้ําของใครก็ไม่รู้อยู่ที่พื้นลักษณะการเดินคือเดินเข้ามาหาเราแบบเป๋ไปเป๋มา ไม่ได้เดินตรงๆแล้วรอยเท้าที่ว่าแต่ละรอยก็ห่างกันประมาณเมตรกว่าๆซึ่งไม่น่าจะใช่การก้าวขาที่คนปกติเขาทำกันแล้วถ้าเป็นรอยเก่าตอนเรามาว่ายน้ำทำไมส่วนอื่นๆมันแห้งไปหมดแล้วเหลือไอรอยนี่เป็นรอยเดียวเป็นทางยาวมาเลยความรู้สึกตอนนั้นมันอธิบายไม่ได้จริงๆเราก็ทำใจนิ่งๆเดินสวนไอรอยนั่นออกไป แล้วอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าตรงข้ามสะว่ายน้ำคือฟิตเนสที่เป็นกระจกรอบด้านจังหวะที่เรากำลังเดินออกก็มองตรงไปข้างหน้าภาพที่มันสะท้อนจากกระจกฟิตเนสมาให้เราเห็นคือร่างของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนตอนที่เรามาว่ายน้ำเมื่อหัวค่ำยืนอยู่ตรงจุดที่เราเพิ่งเดินออกมาแล้วทาไมเราไม่เห็นเขาตอนแรกขาที่เดินจ้ำจำอยู่หยุดเองอัตโนมัติ น้ำตาก็ไหลยหยุดตาก็จ้องไปที่กระจก ท, ทั้งทั้งที่อยากเออกไปจากตรงนั้นใจจะขาดดึกแล้วนะไม่กลับบ้านเหรอนั่นคือเสียงที่ได้ยินมาจากข้างหลังลมพัดเอื่อยเแต่แรงพอทําให้รู้สึกหนาวได้พยายามตั้งสติแล้วก้าวขาต่อวิ่งก็วิ่งออกไม่ได้แต่เดินสับศับขาพอพ้นเขตสะว่ายน้ํามาลมก็พัดแรงขึ้นมันจะมาเป็นละลอกละลอกไม่ใช่พัดตลอดพัดวูบนึ่ง ก็ได้ยินเสียงเดิมเสียงคนคุยกันเยอะๆโทนต่ำๆในใจก็คิดว่ามันไม่มีจริงคิดไปเองขาก็ก้าวจำๆมือกำโทรศัพท์กับแบงค์ไว้แน่นจนเดินผ่านโต๊ะยามใต้เสาไฟไม่รู้พี่แกกลับมาตั้งแต่ตอนไหนแกตะโกนเรียกน้องๆลืมจักรยานเราก็หยุดเดินแต่จากเหตุการณ์ที่เจอมาอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นี่พิยามจริงหรือเปล่า สงสัยคนนึกว่าเราไม่ได้ยินเห็นเราเดินจ้ำจ้ำหนีไม่ยอมหันหลังไปตอบเขาก็เลยวิ่งมาแตะไหลเราก็สะดุ้งหันกลับไปมองแต่ถอยหลังมาก้าหนึ่งเขาก็พูดอีกรอบว่าน้องลืมจักรยานเพราะมั่นใจว่าเป็นคนแน่ๆก็เลยขอพี่เขาว่าให้ช่วยไปจูงไมห้หน่อยไม่กล้าเดินกลับไปแล้วเขาก็วิ่งไปจูงจักรยานมาให้พอจูงมาให้เราเขาก็ถามเราบ้านอยู่ซอยแรกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดินไปส่งละกัน เขาคงเห็นเราปั่นจักรยานมาบ่อยๆเลยรู้ว่าอยู่ซอยไหนเราก็จูงจักรยานไปคุยกับพี่แกไปแกก็ถามต่อแล้วเมื่อกี้เดินมาจากไหนทำไมพี่ไม่เห็นพอดีลืมของไว้ที่สระน้ำเลยเข้าไปหยิบมาพอได้ยินคำตอบพี่แกก็ตกใจมากทำตาโตมองมาที่เราเฮ้ยเมื่อกี้อนะนะเข้าไปที่สระมาเหรอเราก็ไปยักหน้าตอบ วันหลังอย่าเข้าไปมันเคยมีพี่แกหยุดพูดทันทีเหมือนเพิ่งนึกได้ว่าไม่ควรพูดให้เราฟังเราก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เจอมาแล้วเราก้มหน้าตอบแบหมดอาลัยตายอยากกับสิ่งที่เพิ่งเจอถึงว่าพี่ไม่เห็นเราเข้าไปในสระพี่ขอเล่าเลยและกันอย่าหาว่าพี่ทําให้เรากลัวนะแต่รู้ไว้ จะได้ระวังตัวเราก็พยักหน้าตอไปอีกทีตอนนั้นแรงที่จะพูดยังไม่มีเลยแล้วพี่แกก็เล่าให้เราฟังจำคร่าวๆประมาณว่าหมู่บ้านนี้เขาสร้างกันมานานแล้วแถบโซนทาวเฮามีมาประมาณ 6-7 ปีส่วนโซนบ้านเดี่ยวของเราเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่เองส่วนกลางหมู่บ้านแต่ก่อนก็มีแค่สระว่ายน้ำไม่มีฟิตเนส ต, ตอนเขาขุดสระครั้งแรกพี่ยามคนนี้ ก็ยังไม่ได้เข้ามาทํางานแต่ลุงยามที่อยู่มาก่อนเราว่าตอนสร้างพวกฝ่ายนิติบุคคลของหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมาดูแลความเรียบร้อยพวกคนงานก็ทํางานกันเละเทะตั้งวงกินเล่าบ้างอะไรบ้างแบบนี้มีวันหนึ่งที่พวกคนงานเกิดทะเลาะ ก, กันด้วยฤทธิ์ของการเมาเล่าหรืออะไรก็ไม่ทราบถึงขั้นลงไม้ลงมือจนมีคนตกลงไปในสระ หัวกระแทกพื้นสะแล้วไปเสียที่โรงพยาบาลพี่ยามแกก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดส่วนนั้นแต่แกบอกว่าหลังจากที่แกเข้ามาทำงานก็มีเหตุการณ์เยอะอยู่เหมือนกันครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานบริษัทใกล้ๆแถวนี้แหละเป็นคนอัยาศัยดีออกไปทำงานก็ทักทายพวกพี่ยามในป้อมตลอดพี่ผู้ชายคนนี้แกมีรูปร่างค่อนข้าง้วม แล้วคงอยากจะออกกำลังกายลดน้ำหนักก็เลยมาว่ายน้ำตอนเย็นๆค่ำๆตลอดและด้วยความที่แกว่ายน้ำค่ำนี่แหละแกก็จะขึ้นจากสะประมาณสามสี่ทุ่มพวกคนดูแลสะหรือพี่ยามก็จะออกเวงกันหมดแล้วและวันหนึง่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรุ่งเช้ามีคนพบศพพี่ผู้ชายคนนี้อยู่ในสะไม่มีใครรู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุหลังจากนั้นใครที่ชอบมาว่ายน้ําตอนกลางคืนก็เจอกันทวนหน้าแล้วพี่แกก็เล่าต่อว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทางหมู่บ้านนิมนต์พระมาที่สระน้ําหลังจากที่พี่ผู้ชายแกเสียแล้วก็มีคนเจออยู่บ่อยๆพระท่านพูดมาประโยคหนึ่งว่าไม่ดีที่ตรงนี้ไม่ดีเลย ไม่ควรทำเป็นที่ที่ให้คนมาใช้สำเพวสีเต็มไปหมดจากนั้นคนที่อยู่โซนทาวเฮาส์ที่เขารู้เรื่องกันก็จะไม่ค่อยมากันทํามาไหว้น้ำก็จะมาไหว้ตอนที่ฟ้าสว่างและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับฟังจากพี่ยามเพราะถึงบ้านเราก็ขอบคุณพี่เขาที่เดินมาส่งเราเข้าบ้านล้างหน้าล้างตาคืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยภาพทุกอย่างมันยังติดอยู่ในหัวแล้วหลังจากนั้น เราก็ไม่เคยไปไหว้น้ำที่สถนั้นในเวลากลางคืนอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราเจอมากับตัวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r คร e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ